ที่ผ่านมาก็มันก็มีเรื่องที่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะหลวงตาเหมือนกับว่าจากที่ถ้าเจอเรื่องแบบเนี้เมื่อก่อนโหเราจะไหวมากเลยแต่พอมันเจอเรารู้สึกว่ามันไม่เข้าไปยึดเหมือนเดิมมันค่อยๆคิดพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหลวงตาแล้วก็หนูรู้สึกว่าเวลาถ้าแต่ก่อนมันมันเหมือนกับว่าเราเห็นสภาวะอะไร เราจะอยู่กับมันค่อนข้างจะนานเหมือนกับว่าจะเกาะมันอยู่แต่พออย่างเนี้ยมันเห็นมันก็จะแค่แวบขึ้นมาแล้วอย่างมันเหมือนเหมือนมันเราได้ของบางอย่างเยถ้าสมัยก่อนมันจะเห็นความสูงเออเราจะได้นี้มาเราจะดีใจแต่พอมันได้มาคราวนี้มันรู้สึกเหมือนของว่ามันแค่แวบขึ้นมาเอ้ามันหายไปไหนของตาอืมันก็แค่เฉยๆธรรมดามันก็เหมือนกับว่าเราเห็นว่าเออสุขกับทุกข์มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก ถ้าเราไม่ได้ไปยึดมันมันก็ไม่มีอะไรอะค่ะธรรมชาติของใจอะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยอาการใดๆเลยไม่มีไม่มีตัวใจมันไม่มีอะไรเลยหากถ้าไม่เข้าไปยึดถืออะไรไม่เข้าไปสนใจให้ค่ายความสำคัญมา่นหมายสิ่งใด ไม่ว่าสุขหรือว่าทุกข์แม้แต่ไปให้ค่าให้ความมั่นหมายอยากได้นิพพานความทุกข์เกิดทันทีสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปให้ค่าให้ความมั่นหมายยึดถือไว้เนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในใจของเราทําให้ใจเราเป็นทุกข์ทันทีแต่ถ้าใจธรรมชาติของใจเนี่ยทําไม่เข้าไปยึดถือสิ่งใดไม่เข้าไปให้ค่าให้ความสําคัญมั่นหมายต่อสิ่งใดไม่ว่าสุขหรือทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออธธกุศลไม่ว่าจะเป็นนิพพานแม้ที่สุดจะถึงนิพพานถ้าเราไปให้ค่าความต้องการมั่นหมายไว้อยากได้นิพพานอยากได้ใจว่าอยากได้จิตว่างอยากได้ใจที่เป็นปกติเราไปให้ค่าความต้องการมั่นหมายสิ่งใดไว้ที่เราไปหมายมัดว่ามันมีค่าต่อใจถ้าสิ่งใดที่ลึก เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมีค่าต่อใจอันนั้นนหละสิ่งนั้นทาให้ใจเราเป็นทุกข์ณเวลานั้นเลยถ้าเราไม่เห็นว่าสิ่งใดมีค่าต่อใจใจก็ไม่ทุกข์เป็นความว่างเปล่าอย่างนว่างเปล่าจากทุกข์นั่ในตัวสำคัญที่สุดก็คือว่าใจที่เข้าไปให้ค่าให้ค่ายค้พอสำคัญต่วสิ่งใดแม้แต่ให้ค่ายความสคัญใจที่ว่างให้ค่ายความสาคัญใจที่เป็นปกติ ให้ค่ายความสำคัญต่อนิพพานมันก็จะลังเกียจอีกฝั่งหนึ่งทันทีะลังเกียจใจที่ไม่ปกติเพราะไปให้ค่าใจที่ปกติให้ค่ายความสำการใจที่ว่างก็จะไปลังเกียจใจที่ไม่ว่างทันทีให้ค่าให้ความสำคัญใจที่เป็นสุขก็จะไปลังเกียจใจที่เป็นทุกข์ทันทีแล้วความทุกข์มันก็ทุกทันทีที่ไปให้ค่ายความสําคัญ เวลาอ่านใจตัวเองอ่ะอ่านให้ขาดในทุกขณะปัจจุบันอย่างนี้แน่อันไหนที่มันพลาดไปแล้วมันพลาดไปแล้วก็ให้มันเป็นอดีตไปซะอันไหนมันพลาดไปแล้วก็ให้เป็นอดีตไปอนาคตก็ไม่เอามากังวลให้เป็นทุกข์ใจในปัจจุบันอ่านใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเข้าไปให้ค่ายความสำคัญติดบั่นปลายต่อสิ่งใดให้มามีความสําคัญต่อใจนั่นแนะมันเท่าเอามาทําให้ใจเป็นทุกข์ ถ้าใจไม่เข้าไปให้ค่ายความสําคัญเป้าหมายตัวสิ่งใดสิ่งที่เกิดขึ้นให้รับรู้เขก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปอยู่กับปัจจุบันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่ามีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นธรรมหลุดจกัจจนนปดจกปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นธรรมหลุดจักปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมปัจจุบันอดใจก่องตัวเองอย่างนี้ให้ขาดตุกขนาปัจจุบัน เราทุกขนาปัจจุบันเราไปให้ค่ายเพราะสําคัญสิ่งใดไว้ก็ต้องวางลงปล่อยวางลงถ้าเราปล่อยไม่ไปวางก็ต้องเป็นทุกข์อยู่นะั่นแหละเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราไปให้ค่ายความําคัญมันหมายไว้ไปยึดถือไว้ความทุกข์ก็เข้ามาอยู่ในใจของเราเพราะเราไปยึดกับสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์หากใจไม่เข้าไปยึดสิ่งใดใจก็จะว่างป่าจากทุกข์ว่างป่าจากความเป็นตัวตนทันที อ่านใจตรงนี้อนะทุกณะปัจจุบันอ่านในขาดค่ะมันมันก็จะเห็นว่าเหมือนเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราให้ค่ามากเราจะเห็นแล้วว่ามันเออมันจะมีมันก็ทุกมากให้ค่าน้อยมันก็ทุกน้อยถ้าเราไม่ให้ค่ามันก็จะเห็นว่ามันไม่มันก็ไม่ทุกมันก็ไม่มีอะไรมันก็จะเป็นอย่างนี้ย่าหนตาก็จะเห็นก็ค่อยๆเริ่มจะชัดขึ้นค่ะอืมอย่างนี้ตติปัญญามีเพื่ออ่านใจตนเองไม่ได้เพื่อไปทำอะไรแล้ว เืออ่านใจตนเองเพื่อรู้ต่อทันจิตใจของตัวเองมันใครก็ช่วยเราไม่ได้ตรงเนี้ยเราต้องช่วยอ่านใจตัวเองให้ขาดว่ารเราไปยึดถือให้ค่ายความต้องกาสิ่งใด ไ, ไว้ละถ้าเรายึดถือให้ค่ายความต้องการสิ่งใดไว้เราก็ต้องเป็นทุกข์นะอย่างเช่นว่าอย่างขนองรึเปล่าเรากลัวลว่ามันเราทําไมสงบมากเลยทำไมเป็นสุขมากก็ต้องถามใจตัวเองว่าแล้วเรานอกจาก ถ้ามันเกินกว่า น, นี้ไปเราอยากได้อะไรอ่ะเราบอกว่าตอนนี้ในะขณาปัจจุบันเนี้มันสงบมากเลยเป็นสุขมากแต่เราเนี่ยไปกลัวกลัวว่าแล้วกลัวว่าอะไรไอ้ตัวนั้ น, น่ะที่เราไปให้ค่าไว้แหละอันนั้นน่ยมันทําให้เราใจเราเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้เลยทํำให้เราไปพ้นจากทุกข์เรากลัวอะไรมันจะหายไปล่ะอันนั้นเนี่น เ, นนน เ, เรายึดถือสิ่งนั้นแหละ อ่านใจตัวเองให้ขาดเรากลัวอะไรจะหายไปเรากลัวความสุขจะหายไปกลัวความสงบจะหายไปใช่ไหมอันนี้เรากาลังยึดถือความสุขความสงบแล้วอะไรเกิดขึ้นแต่แค่รับรู้ตามความเป็นจริงในทุกขณะปัจจุบันก็ไม่มีอะไรมาทำให้เราเป็นทุกข์ใจก็จะว่างเปล่าจากทุกข์ อ่านใจตัวเองขาดนะเราใจไม่มีมแม้แต่ความเป็นปกติก็ยึดถือไม่ได้นะแต่เราไปให้ใหค่ายความสำคัญแม้แต่ใจที่เป็นปกติอันนี้เท่ากับยึดถือ เป็นแต่รู้ตามความเป็นจริงรับรู้ตามความเป็นจริงรับรู้ตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันเขาสงบก็รู้ว่าสงบเป็นปกติก็รู้ว่าเป็นปกติอยู่ใจเป็นปกติอยู่ก็รู้ว่าเป็นปกติอยู่ใจสงบก็รู้ว่าสงบอย่าให้ค่ายความสาคัญเวลาไม่เคยให้ค่ายความสําคัญติมไหลเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละในใจทุกขณะปัจจุบันก็เป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป มันก็รับรู้ตามความเปจริงที่เกิดขึ้นจริงในใจเราตอนแรกเดิมทีมีคําถามถามหลวงตาในแตครั้งที่แล้วครับว่าเอ๊ะมันสงบอย่างเงี้ยมันมีสมาธิขึ้นมาเพราะมันเห็นได้ว่ามันมีสภาวะที่มันเหมือนจิตรวมเป็นขณะขณะครับก็เลยตอนแรกว่าเอ๊ะตอนหลวงตาพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะมัน จะสอนนั่งเหมือนใจมันอยากจะไปรู้เอ๊ะมันจะต้องนั่งยังไงเอ๊ะมันจําเป็นไหมจะต้องไปทําสมาธิเพื่อให้มันอาจจะเป็นสัญญาที่เคยจำมาว่าต้องไปทําสมาธิเพื่อให้มันมีกําลังมากขึ้นแต่ในขณะเมื่อกี้เห็นว่าเหมือนใจมันมีมันมีแรงขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปไปทําสมาธิแบบสงบเพราะผมเองก็ไม่เคยนั่งทําสมาธิแบบสงบได้ พอรู้สึกว่าตัวเองมีความฟุง้งซ่านในชีวิตประจำวันเยอะครับหลวงตาแต่เมื่อกี้เห็นด้ว่าออพอพอในจังหวะที่มันสงบจริงๆเนี่ยจิตใ จ, จ, จมันมีมีแรงขึ้นมาก็เลยไม่มีคำถามที่จะถามหลวงตานะครับเกิ่ใกล้กันก็นอริเข้าใจไหมที่หมีก็พูดเนี่ยเพราะว่ากนอริส เนี่ยงงๆว่าเอามันมีความสงบมากจริงๆมีความสุขมากจริงๆเราต้องไปทําอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแ <c oughs> ต่ตัวบอกว่าต่ออ่านใจตัวเอ้ขาดนะว่าเราไป ม, มีกิเลสกับอะไรแล้วเรากลัวว่าเราจะหายไปไอ้ตรงนั้นเน่ยมันเป็นกิเลสล้วเราปฏิบัติทั้งหมดก็เพื่อรู้ท่าทานกิเลส ใ, ในใจตนแล้วก็าวางไปรู้ท่าทานกิเลส ใ, ในใจตนแล้ววางไปกิเลสก็เกิดจากความปรุงแต่งนี่แหละหลงปรุงแต่ง นี่พอเราเอกว่มันสงบมากเกินไปมันมีความสุขมากเกินไปเดี๋ยวจะต้องไปเล่งพอไปเล่งตัวปิดจะทุกเลยเดี๋ยวจะต้องไปเล่งอะไรเพิ่มเพิ่มอัตราเพิ่มขึ้นมาที้อัตราก็เพิ่มเงินจริงๆนะไปเพิ่มไปเล่งอัตราขึ้นมาตอนนี้ก็อัตราก็เป็นตัวเป็นตนตก็งอกงามไปบูรเลยตอนนี้เห็นชัดเลยมันสงบอยู่ดีๆก็จะรู้เลยว่าความไม่สง บ, สงบงเกิดขึ้นทัน ท, ทีนับแต่ว่า จะต้องไปพยายามเล่งอะไรเพิ่มขึ้นแต่เราเมื่อเรายอร่ยอหย่อนไปเราก็ดูเองว่าเรายอร่ยอหย่อนไปเนี่ยมันไปมีอะไรเพิ่มขึ้นมาในใจเราเราเล่งเราจะเล่งให้มากขึ้นเราเล่งอะไรเราจะไปเล่งให้ได้อะไรเพิ่มเข้ามาเพอไอ้ที่เราจะไปเอาอะไรให้เพิ่มเข้ามาเนี่ยอันนั้นเราเล่งไปเอากิเลสแต่พอเรายอร่ยอหย่อนมากไป ใจที่สงบที่เป็นปกติสุขอยู่ดีๆพอยอ่ยอหย่อนมากเกินไปมันก็มีอะไรเข้ามาอยู่ในใจเราอีกเราไปเอาอะไรเข้ามาไว้ในใจเราแต่พอเราเร่งเราก็จะไปเอาอะไรที่เข้ามาไว้ในใจเราเราไปยึดอะไรไว้ไปฆ่าไปหมายมั่นอะไรไว้เนี่ยเราต้องอ่านจงเนี้ยไอ้ขาดทุกขนาปัจจุบันต้องเป็นคนฉลาดมากเลยเร่งบางทีก็เร่งไปเอากิเลสหยอ่อนมากเกินไปก็หยอ่อนได้กิเลสมาเอง อันตรงนี้่ต้องแม่นมากเลยทุกขณะจิตอะไรอะไรทบทวนอะไรนึกกระใจไงก็ก็หมายความว่าขณะที่เรามีความเงียบสงบแบบอยู่ในใจเนี่ยถ้าเราเกิดความสงสัยว่าแบบเราจะเร่งให้มันเงียบขึ้นอีกเพื่อได้ผลอะไรเนี่ย มันก็หมายความว่าเรานี่ไปสร้างแบบตัวยึดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคือคือคือในความอยากมีอยากเป็นอยากอยากให้มันดีกว่าเดิมแต่นี้ถ้าเราถ้าแบบเราหย่อนมากเกินไปแบบมันก็จะมีบบอะไรที่แอบแฝงเข้ามาแบบในความในความแบบ ที่ว่าแบบหย่อนของเรานี่แบบจะมีอะไรแบบที่จะเข้ามาเช่นอความความที่สุขสบายแบบทางโลกมันจะเข้ามามันจะเข้ามากระทบแต่ในส่วนนี้ผมคิดว่าถ้าผมหย่อนเกินไปเนี่ยผมค่อยข้งแบบที่จะรู้ครับว่ามันมีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาแต่ที่ผมพึ่งที่จะเข้าใจก็คือ การที่ผมไปเร่งความเพียรมากเกินไปเนี่ยมันทำให้มันเกิดมันเกิดความอยากขึ้นมาความอยากที่ว่าจะได้ต้องการแบบที่จะเงียบสงบมากขึ้นหรือสิ่งที่ผมจะต้องยึดความความเงียบกับความสุขให้มัน เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมแต่เมื่อกี้หลวงตาได้พูดแล้วว่าได้บอกแล้วว่าถ้าเราสร้างแบบตัวเร่งขึ้นมาเนี่ยแบบเพื่อหวังอะไรเนี่ยมันก็คือตัวแบบที่มาเป็นตัวที่ปรุงแต่งอีกอีกตัวหนึ่งครับครับตัวนี้เรากลับไปแล้วก็จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเราเอง ไรเป็นนักสังเกตตัวโยงเลยเออสังเกตจิตใจเราเป็นนักสังเกตตัวยงเลยละเร่งไปก็เป็นกิเลสย่อนไปก็เป็นกิเลสเร่งไปก็จะไปเอากิเลสยอนไปก็กิเลสเข้าแทรกต้องพอดีพอดีก็ดีไหมคำว่าพอดีต้องพอ ด, พอดีพอดีแค่ไหนอยู่ที่ของใครของมัน เราจะไปทําตามเพื่อนเห็นเพื่อนทําอย่างนี้แล้วเราจะทําตามต่องจจอดใจขาดวะเพราะเราอยากจะทําตามเขาไอ้ที่อยากจะทําตามเขาจะไปเอาอะไรความโลภความหลงความโกรธความโลภความหลงก็เกิดขึ้นแล้วตรงนี้มันหลอกเราม า, มากเลยทุกขณะปัจจุบัน จ่คอยหลอกเราจะหลอนเราเหมือนกับคอยหลอกหลอนเราตลอดขยับแม่วันนี้อยากเดินจุกรมเยอะใจมันก็หมายไปแล้วถ้าเดินเยอะๆนี่วันนี้อาจจะรบรรลุนิพพานได้แล้วเนี่ย <c oughs> มันหลอกหลอนเราตลอดเวลาเลยกิเลสเนี่ยเราไม่รู้ตัวทันมันหลอกหลอนเราเสด็จ แต่เราพอยอนเนี่ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เดมันเพ่งเกินไปเดี๋ยวเราจะปิดหัวอ้าวตวเนี้ยเราเกิดความกลัวเป็นกิเลสอีกความกลัวความกัง ว, วลวเป็นกิเลสอีกเดีที่ขนองรีดกลัวเนะี่ยที่ความกลัวความกัง ว, วล ว, ว่ากิเลสจะเข้าแทรกเป็นกิเลสแล้วเรากลัวแต่กิเลสตัวอื่นเนะี่ะแต่ในขณะปัจจุบันเนี่ย ความกลัวความกังวลเป็นกิเลสแต่แล้วเรียบร้อยเราอาไว้เราโมแต่ไปกลัวว่ากิเลสตัวอื่นจะเข้าแต่ความกลัวความกังวลมันเป็นกิเลสแตแล้วมันเข้าแทรกในจิตใจเราเรากลับไม่เห็นมันไม่รู้ตท่งทานมันเราไปกลัวแต่กิเลสตัวอื่นจะเข้าแต่กิเลสปัจจุบันมันมันเข้าต่อหน้าต่อตาเราในความกลัวความกังวลเป็นกิเลสใช่แต่มันใช่ครับมันมองไม่เห็นครับแต่เราเราก็กลัวว่าเดี๋ยวต่อไปแบบในอนาคตข้างหน้าแบบเราจะ เสื่อมลงอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะแบบน้าตอนนี้มันเกิดมันเกิดความความกลัวความเสื่อมลงละแบบน้าจุดนี้เลยครับใช่คร um ับบอกว่าละเอียดมากเลยเนี่ยการปฏิบัติละเอียดมากเลยกลัวว่าจะเป็นกิเลสหย่อนไปเดาหน่อยก็เป็นกิเลสแลละ ความกลัวก็ไปกิเลสเล่งจะให้ได้มากกว่านี้ก็ไปกิเลสอีกอยู่เฉยๆไม่รู้ทำอะไรอา้าวก็หย่อนไปอีกแต่ตัวนี้ก็ร้ายมากเลยนะอยู่เฉยๆไม่รู้ทำอะไรคือไปเล่งปุ๊บก็ไปกิเลสพอไม่ทำอะไรก็หย่อนไปอีกกิเลสก็แทรกอีกเพราะหน้าที่อะ มีหน้าที่อย่างเดียวคือมีสติปัญญาอ่านใจได้ให้ขาดทุกริยบทเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะตอนนั่งสมาธิเดินจงกรมเท่านั้นทุกปิยบทว่าขนาดนั้นแหละใจขยับไปมีกิเลสอะไรหรือกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นความกลัวเป็นความกังวลก็เป็นกิเลสละเอียดมากสำหรับผู้ที่ดูจิตละเอียดจริง พอไม่มีอยู่สองฝั่งเนี่ยไปตกสองฝั่งเนี่ยใจมันก็สงบราบเรียบไม่ใจ่ว่ามันสงบแบบเป็นกิเลสมันสงบจากกิเลสสงบเพราะว่ามันสงบจากกิเลสไม่ใช่ไปทําให้มันสงบให้มันเป็นกิเลสแต่มันสงบก็เพราะว่ามันไม่มีกิเลสขณะจิตนั้นไม่มีกิเลสมันก็เลยเป็นความเป็นความสงบเป็นความสุขนัตถิ สันติบาลังสุขขังสุขใดเหียวก่าใจที่สงบจากกิเลสไม่มี